เรเดินทุนดงมาหลายวันเนาะก็พักหลายที่นะผ่านหลายชุมชนภาพหนึ่งที่เราเห็นนะคือสภาพวัดวัดร้างวัดร้างหรือบางทีก็บางวัดก็มีพระอยู่รูปเดียวนะหรือพอพระอยู่รูปเดียว ท่า น, นไม่อยูนะ่ก็เป็นเหมือนกึ่งวัดร้างนะท่านอาจจะไปธุระนะก็สภาพวัดก็ล้างหรืออย่างเช่นที่นี่เองก็ไม่มีพระมาอยู่เป็นเวลาสองสามปีแลอื ม, อ ม, มีมีชุมชนที่เรียกว่ามีการสร้างวัดนะแล้วก็ไม่มีพระนี่หลายชุมชนนะ หรือก็มีอีกภาพหนึ่งก็มีบางชุมชนที่มีคนนับถือพุทธอยู่บ้างนะอาจจะปนกับศาสนาอื่นอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีพระนะไม่มีพระอยู่ไม่มีวัดอยู่นะไม่มีวัดนะก็เลยไม่มีพระอยู่โอกาสที่จะทําบุญโอกาสที่จะอะไรก็ก็น้อยลงแต่ก็ไม่ต่างกันนะมีวัดแต่ไม่มีพระนะ หรือว่าไม่มีวัดเลยแล้วก็ไม่มีพระเลยนะก็ต้องอาศัยโอกาสอย่างกานทุ ด, ดงเนะาะญาติโยมส่วนหนึ่งก็ก็รู้สึกเหมือนดีใจนะที่มีโอกาสได้ทําบุญวัดล้างพระมานานหรือว่าอวัดบ้านเัดบ้านเราไม่มีมีพระจอนมาก็ถือโอกาสทําบุญเนีโยมก็ดีใจที่ได้ทําบุญ อันนี้ก็เป็นสภาพส่วนหนึ่งนะก็คงแก้ปัญหายากนะเรื่องเรื่องทั้งวัดนะที่ไม่มีพระหรือว่าพระที่น้อยลงทุกวันนะอันนั้นก็เป็นเหตุตามปัจจัยก็หลายส่วนหลายเหตุปัจจัยนะก็มีเหตุผลเยอะแยะมากมายที่อธิบายแต่เราอาจจะไม่พูดถึงตรง น, นั้นแต่มี ด้านหนึ่งนะที่ก็น่าสนใจนะคือเราจะเห็นว่าแถบแถบนี้เองเนาะจะมีการสร้างเจดีเนี่ยหรือพระธาตุลายแห้งนะอย่างวัดนะยๆที่ก็จะมีการสร้างเจดีสร้างพระธาตุให้คนบูชากร า, กากบไหว้นะทำให้คิดถึงคล้ายๆเหมือนศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมนะ ที่บางทีเราไปก็จะเจอสารเจ้าเจ อ, เอวิหารนะให้คนได้มาบูชากราบไหว้ตอนเช้าตอนเย็นหรือตอนทําพิธีกรรมต่างๆนะพราหมณ์หรือนักบวชในศาสนาเองก็มีน้อยๆนะหรือว่ามีเป็นบางขณะที่ทําพิธีกรรมเท่านั้นนะขณะที่ไม่ได้ทำพิธีกรรมก็เป็น เป็นคนธรรมดาแต่คนเขาก็ยังอาศัยศรัทธาในในศาสนาเขานะอาศัยไปไปบูชาตามเจดีนะตามศาสนสถานนะทำให้คิดถึงบางทีเวลามีพระ ธ, ธาตุมีเจดีนี่ก็ศาสนาพูทธเราก็อาศัยเจดีอาศั ย, JD, ศยพระ ธ, ธาตุเป็นที่สำหรับบูชาแทน ไม่มีพระสงฆนะ์ให้อยู่บูชาในแต่ละชุมชนก็ศัยสร้างเจดีสร้า ง, JD, างวาิสร้างพระทาตเป็นที่ให้เกิดให้คนได้มาบูชามาศรัทธาตรงนั้นแทนนะกลายเป็นรูปแบบนะของศาสนาเราก็เหลือสำหรับเป็นเรื่องของการของศรัทธานะนะ ศรัทธาที่อาศัยเอาการบูชากนะารบูชาศาสนสถานนะมาทดแทนศา ส, สนาบุคคลที่ที่น้อยลงไปนะอันนี้ยังไม่พูดถึงศาสนาธรรมนะนะนะเพราะว่าวิหารเจดีย์ก็ประโยชน์ส่วนใหญ่นะที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงก็คือการ เกิดความเคารพเกิดความศรัทธาได้กราบไหว้แต่ก็เป็นการยากที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจศาสนธรรมผ่านการแค่กราบไหว้บูชาเท่านั้นหรือว่าก่อสร้างสิ่งต่างๆนั้นนั้นที่จริงมันก็เลยเนื้อหาของของพระธรรมวินัยก็เลยค่อยๆอย่า ค่อยๆมีคนเข้าใจน้อยลงไปเรื่อยๆนะน้อยลงไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นภาพในหมู่บ้านชนบทที่คนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้เนาะนะเห็นแบบนี้ก็ตอนทุดงรงใหม่ก็มาถึงหลายปีที่แล้วนะก็คิดว่าออที่จริงวัดร้าง น, นี่มีเยอะแยะมากมายนะพระนี่ไม่ต้องไปหาสร้างวัดใหม่หรอกก็ ถ้าอยากจะอยู่ที่ทางหัดหรือว่าอยากจะมีอยากจะมีวัดนะ่ะที่เราดูแลหรือว่ามาช่วยเหลือเนี่ยก็มีวัดร้างเยอะแยนะน่ะในประเทศไทยโดยเฉพาะตามภาคเหนือนะอืมถ้าก็มันก็เป็นส่วนที่สำคัญนะส่วนอ่ ศาสนาสิ่งที่ขาดตอนนี้ยไม่ใช่วัตถุสิ่งของไม่ใช่สิ่งอำนวยความสะดวกนะอืมแต่สิ่งที่ขาดเนี่ยก็คือศาสนาบุคคลนะก็คือพระสมฆ์นักบวชนะสิ่งที่ขาดมากแต่ส่วนหนึ่งศาสนาบุคคลบางที่ไม่ขาดนะแต่สิ่งที่ขาดคือคุณภาพ ขาดคุณภาพก็คือบางทีบวชเพื่อเป้าวัดนะหรือบวชเพื่อนะไม่มีไม่มีทางอื่นที่จะไปอยู่ก็เลยถือการบวชนะเป็นเครื่องดิ้งชีวิตนะหรือบวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาพระธรรมวิ น, นนะัยให้เกิดความเข้าใจที่จะไปสอนสั่งญาติโยมหรือว่าที่จะไปเพื่อฝึกฝนตนเองนะ หรือบางคนก็บวชเพื่อดาบส ก, การะนะบวชเพื่ออย่างอื่นมันก็เลยไม่เป็นการบวชเพื่อเพื่อลดเพื่อละเพื่อเลิกนะสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าฝึกฝนตนให้มันดีขึ้นนะมันเป็นการบวชที่ทิแตกต่างจากสมัยพุทธกาลนะที่ออกบวชนะออกบวชเพื่อสแสวงหาธรรมะออกบวชเพื่อ ลดละอัตตามนะกกิเลสตัวเองนะแต่บางทีการบวชสมัยนี้ก็เป็นการเพิ่มนะเพิ่มกิเลสนะเพิ่มกิเลสได้รับสักกาละด้วยชื่อเสียงเยนยอเพิ่มอัตตามนะว่าเราใหญ่เรานะเก่งเราดีอะไรนะี้นะก็มนะีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะนะแต่ส่วนหนึ่งก็ บวชเพื่อตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติตนก็ก็ยังมีอยู่อันนี้คือคุณภาพของศาสนบุคคลที่ที่ก็ยังขาดแคลนอยู่เยอะนะเพราะบางทีถ้าบวชเพียงแค่เฝ้าวัดหรือไม่มีความรู้หรือบางทีไปสแสวงหาความรู้แบบอื่นมาสอนสั่งญาติโยมซึ่งก็ยิ่งทำให้โยมสับสนไปเลยนะ เอาเทพพระเจ้าต่างๆมาให้คนบูชาเนี่ยญาโยมก็งงว่าอันนี้พุทธหรือพระพุทธกับพาราหมณ์ก็ปนกันไปหมดเลยเนยจนได้ยินบางที่บอกเอา้าไอ้เทพอะไรนะที่เขาบูชากันเขาพิกเนตเ น, นี่ไม่ใช่พุทธหรืออะไรนะบางคนก็เข้าใจอย่างนั้นนะแล้วก็พิคเนตก็เป็นพาราหมณ์เนาะอเนี้ย แต่พระก็เอามาให้คนบูชาเมื่อก็เลยปนกันไปเหมือนเป็นพุทธนะอันนี้คือพอไม่เข้าใจนะก็ก็สับสนปนเปนกัปนไปหมดเลยนะอันนี้ภาพในชนบทมันเป็นแบบนี้เนาะแต่มันก็มีภาพหนึ่งในในเมืองนะที่มันก็แตกต่างกันนะคนส่วนหนึ่งก็เริ่มสนใจธรรมะเนะี่ย สนใจธรรมะทั้งเรื่องของการศึกษาอ่านนะจากตำราคนคว้าจากพระไตรปิฎกนะอีกส่วนหนึ่งก็เรียนอภิธรรมบ้างนะส่วนหนึ่งก็สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมนะนะในโดยเฉพาะสติปัฏฐานเหล่านีนนะ้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นมากนะในในเมือง <c oughs> ภาพที่ มีมนพระไปสอนตามมหาวิทยาลัยตามสถานปฏิบัติธรรมนะหรือตามบ้านนะเปิดอบรมกันตามรีสอร์ทนะจัดคอร์สเยอะ <c oughs> แยะนะก็เป็นหรือภาพกันบรรยายธรรมในที่ต่างๆเนี่ยตามบริษัทห้างร้านเนี่ยก็เป็นประจำทุกปีเนี่ยมันเหมือนภาพธรรมะเดียวนี้ไหลเข้าไปสู่ในเมืองนะพระในเมืองเองก็ดีหรือพระ เนในชนบทเองก็ดีนะไหลเข้าไปสอนธรรมะในเมืองเยอะนะคนในเมืองกลายเป็นคนที่รู้ธรรมะเยอะขึ้น น, ะนะแล้วก็มีภาพบางบางที่ก็สร้างสถานปฏิบัติธรรมเนาะโยมบางคนเกิดศรัทธาเอาบ้านเอาเรือนเอาสวนของตัเองเป็นสถานปฏิบัติธรรมให้คนมาปฏิบัติธรรมนหรือว่าให้พระสงฆ์มา มาสอนธรรมะในที่ต่างๆตัวนั้นบ้างมันก็ได้เกิดมันแต่มันก็เป็นไปตามเรียกว่าเหตุปัจจัยตามยุคตามสมัยเนาะแต่เราเห็นภาพแบบนี้แล้วมันก็แต่ส่วนหนึ่งก็ยังก็ยังรู้สึกว่าเออ ย, ยังน้อยเนี่ยธรรมะที่เป็นตัวการปฏิบัติหรือตัวศึกษาเนี่ยเนี่ยก็ยังมีหลายคนที่ยังสนใจอยู่แล้วก็พยายามที่จะ ศึกษาปฏิบัติกันอยู่นะแต่มันก็มันไม่ไม่ค่อยกระจายนะมันก็อยู่ในกลุ่มอยู่ในหมู่ชนที่ที่อยู่ในเมืองหรือมีความรู้มีการศึกษาแต่นี้เราไม่ยังมีพูดนะว่าศึกษาและเข้าใจมากเใอขนาดไหนนะอันนี้แต่ก็เรียกว่าเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะอืแต่ก็จะต่างจากภาพ ในชนบทที่ที่ตัวการศึกษาพวกนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะเพราะที่จริงการศึกษาธรรมะที่จริงในชนบทเนี่ยมันเขาอาจจะไม่ได้รู้พระไตรปิฎกนะอาจจะไม่ได้รู้พระสูตรต่างๆไม่ได้นั่งทำสมาธินะแต่จริงศาสนามันซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา ผ่านวัฒนธรรมผ่านประเพณีนั่แนแหละนะ่เนมันเป็นตัวที่ซึมซับเข้าไปนะเนพระสงฆ์หรือว่าพอออกไม่ออกที่มาเข้าศีลมาจำวัดเนนะี่ยเขาค่อยๆ่อยซึมซับธรรมะผ่านรูปแบบวิถีชีวิตเนยกลายเป็นจิตเป็นใจของเขาแล้วก็ไปบอกสอนลูกหลานต่อเนะมันเป็นภาพแบบนั้นนะอืม ภาพความอ่อนน้อมถ่อมตนของอของคนเฒ่าคนแก่เนะี่ยภาพความเรียบร้อยงดงามของคนสูงอายุอนะไรแบบนี้ภาพกลับไปจากที่วัดก็ไปพูดดีๆนะกับลูกกับหลานอเนระแนะีลูกหลานก็สัมผัสได้ถึงความใจเย็นของปู่ย่าตายายที่มาวัดอนะไรแ คือภาพของการที่เ อ, อมักน้อยสันโดษอเนะ่อบอ้อมอารีไอ้พวกนี้นะบางทีตราอา จ, จะมองว่าเขาไม่ได้รู้ธรรมะพูดธรรมะไม่ได้อธิบายธรรมะไม่ได้แต่วิถีชีวิตแบบเนี้ยมันเป็นวิถีชีวิตที่ที่ก็เรียกว่าสอดคล้องกับธรรมะนะ <c oughs> บางทีคนในเมืองเอ ง, เ อ, งอาจจะต้องระวังนะบางทีเรารู้ธรรมะ เราอธิบายธรรมะได้หรือว่าเราได้ฟังธรรมะได้เยอะนะแต่บางทีวิธียังแตกต่างนะแตกต่างจากตัวเนื้อของธรรมะจริงๆที่เราบางทีกินเล่าไปก็ชอบคุยธรรมะกันไปแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าพยายามอะไรละ่ะ แสดงภูมิธรรมในเฟซบุ๊กอะไรแบบนีว่ากันใช่ไหมอธิบายกันนะทำนะมาจริงๆต้องแบบนี้นะแต่ใช้ภาษาที่ที่รุนแรงนะแล้วก็ไม่แสดงอัตรามานะาตัวเองว่าเราดีเราเก่งนะคนที่อันนั้นออกก็ด่าคนอื่นเหมือนเสียหายๆนาะงทีก็ มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราก็เห็นนะเห็นแต่ก็ดูไปนะดูดูไปก็เออสภาพนะมันเป็นแบบนี้เนะนะาะนั้นที่จริงถ้าจะว่ารวมๆมันก็ศาสนาเองมันก็ในชนบทเองแล้วก็ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปคนก็ห่างจากวัดห่างจากธรรมะไปไปบ้างนะ กลายเป็นเหนือวัตถุบูชาแต่ในเมืองเองคนส่วนหนึ่งก็สนใจศึกษาธรรมแต่บางทีก็ไม่ค่อยทำศึกษาธรรมคือศึกษาเป็นความรู้ว่าเราได้รู้แล้วว่าเราได้เคยอ่านการปฏิบัติแล้วเข้าใจรูปแบบแล้วแต่จริงมันต้องทำจริงๆนะบางคนไปตามวัดเนี่ย ที่เชื่อว่ามีพระอริยะสงฆ์นะเพื่อไปบูชากราบไหว้นะแต่พอกลับมาที่บ้านนะกลับมาที่ทํางานก็ยังแสดงความเห็นแก่ตัวแสดงความโกรธเกรี้ยวนะแสดงความใจร้อนอยู่เนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมจริงจริงนะถ้าเราศึกษาธรรมะจริงๆรนงเลยนะเราอยู่อยู่ที่วัดเราจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานนะ หรือใช้ชีวิตในได้ในสวนเนี่ยนะก็ต้องน้อมธรรมะเข้ามาใส่ตัวตลอดนะนะต้องมีศีล น, นะแล้วก็มีการสำรวมนะสำรวมสารวมคือรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะสำรวมไม่ใช่ว่าจะต้องแค่ กินน้อยพูด น, น้อยหรือว่านามัธยัจปฏิอัตเท่านั้นนะหรือว่าไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยไม่ใช่เลยนะสำรวมจริงๆคือเราคอยรู้ทันนะเราจะเกิดอะไรกระทบนะแล้วมันกระเทือนเข้าไปสู่ภายในใจอย่างไรเนะี่ยคอยมีสติรู้ทันนะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญจริงๆริงนะ จะอยู่ในชนบทหรืออยู่ในเมืองเนี่ยมันก็มีสิ่งกระทบเนาะชนบทสมัยนี้ก็เลี่ยงสิ่งกระทบไม่ได้นะมีสิ่งกระทบจากภายนอกเยอะแยะโฆษณาหรือว่าค้านิยมใหม่ใหมที่เข้ามาเนี่ยก็มีเยอะนะมันก็ต้องรู้เท่าทันนะวัตถุนิยมบริโภคนิยมนะซึ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ชวนให้คนหลงนะ ในเมืองเองก็ยิ่งหนักเนียโฆษณาตามห้างตามวิทยุโทรทัศน์ตามเฟซบุ๊กต่างๆก็โฆษณาหรือว่าดารานะเน่เซรเลฟต่างๆก็แสดงค่าในิยมให้คนส่นใหญ่อยากจะมีตามบ้างนะถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะหลงไหลไปกับเขานะที่จริงเขาก็ไหลไปโดยโดยไม่รู้ตัวนะเราก็ไหลไปกับเขาอีกเนีย เนี่ยแต่เราจะทำยังไงเราถึงจะรู้ทันกระแสะการไหลไปเนี่ยที่เราไหลไปเนี่ยพอใจหรือว่าไม่รู้จักพอสักทีเนะี่ยเนี่ยเราต้องฝึกตัวเองเนาะอย่างน้อยเราอาจจะเห็นภาพรวมของศาสนาเป็นแบบนี้ภาพรวมของสังคมเป็นแบบนี้เนาะแต่เราจะทำยังไงล่ะเราคงไปออกกฎหมายไปทำอะไรไม่ได้นะ แต่สิ่งที่เราทำได้คือน่าจะต้องเริ่มต้นจากตัวของเรานะเริ่มต้นจากตัวของเราพยายามศึกษาธรรมะให้เข้าใจถึงแก่นถึงสาระที่แท้จริงของของศาสนาถ้าเราเป็นพระเราก็ต้องทำหน้าที่ของเรานะให้ดนะีในการที่เข้าใจธรรมะแล้วก็นะบอกสอนหรือว่า เป็นการยันมิตรให้กับเพื่อนพระด้วยกันหรือว่าคารวดญาติโยมเนาะให้ให้เข้าถึงแก่นหรือหลักของศาสนาจริงๆเนาะถ้าเราเป็นแม่ชีถ้าเราเป็นโยมทำแบบไหนเนะี่ยก็มีบทบาทที่สําคัญเนะ่ยเหมือนกันนะเนะนะถ้าเราศึกษาธรรมะให้เราเข้าใจนะบางทีเรา ได้เจอผู้คนต่างๆเนี่ยธรรมะจริงๆนะคือการที่ปฏิตมพันเนี่ยมันรู้แล้วแหละนะคนนี้พูดคุยด้วยใจเย็นนะนอะหรือว่าถ้ามีปัญหาเออก็อยากจะมาปรึกษาคนนี้แหลดนะเพราะรู้ว่าถ้าปรึกษาแล้วนะเขารับฟังนะรับฟังนะเบื้องต้นนะสองอาจจะ อาจจะช่วยให้กำลังใจหรือช่วยแนะนำทางออกให้กับปัญหาได้นยะมันก็เกิดประโยชน์นะหรือว่าหนาที่ทำงานไปด้วยนะคนที่มีธรรมะก็แสดงภูมิธรรมออกมาภูมิธรรมในที่นี้ไม่ใช่ว่าอวดเก่งนะเช่นเขามีความขยันมีความรับผิดชอบมีความอดทนใช่ไหมไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบคนอื่นอนะเนี้ย เนี่ยก็คือภูมิธรรมในการทํางานนะอืมที่แสดงออกได้ในที่ทํางานถ้าเป็นอยู่เป็นคาราวา่าสของเรือนก็เนี่ยขยันนะประหยัดน ะ, ะไม่ทิ้งไม่ทิ้งภาระให้กับคนอื่นต้องรับผิดชอบนะในภาระที่ใจเองก่อนเนี่ยอันนี้ก็คือมันก็เป็นภูมิธรรมที่ก็แสดงออกมาในในความเป็นคาราวา่านะ อหรือถ้าคารวะบางท่านที่ได้รับการยอมรับก็ก็ไม่บทบาทก็ไม่ต่างจากพระเนะก็สอนธรรมะหรือตอบธรรมะผ่านทางการบรรยายหรือว่าทางหนังสือหรือ facebook ต่างๆก็ก็มีไม่ต่างกันนะอบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ที่จริงก็สมัยนี้คารวะก็มีส่วนสําคัญนะอย่าง อย่ในวัดร้างในชนบทนะเราก็จะเห็นภาพมีบางวัดก็มีญาติโยมต้องดูแลวัดอยู่เป็นประจำนะดูแลอาคารสถานที่หรือดูแลเพื่อมีพระยรมาเนะีนะ่ยเราก็เห็นเนาะในหลายวัดมีโยมคอยดูแลปัดกวาดเช็ดถูนะหรือว่าบางวัดก็มีขยอมนะมีโยมที่มาอยู่ที่วัดมาช่วยหลวงพ่อ ช่วยกวาดช่วยพาบินทบาตหรือว่าช่วยจัดการสิ่งต่างๆด้วยเนะอันนี้ก็เป็นภาพที่บางทีพอพระน้อยเนะีนะ่ยะโยมก็ส่วนหนึ่งก็เข้ามามีบทบาทคในวัดเยอะขึ้นนะค่อยมาช่วยวัดหรือว่าเป็นตัวหลักให้กับวัดมากขึ้นอหมืในเมืองก็เหมือนกันนะในเมืองญาติโยมส่วนหนึ่งก็อาจจะ รู้สึกพึ่งพระในเมืองไม่ได้นะพระในเมืองก็เยอะนะมีความรู้มีการศึกษาก็เยอะนะแต่คนส่วนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเข้าวัดไปมันเป็นวัตถุนิยมมากเกินไปนะส่วนใหญ่วัดหลายที่ก็เน้นตู้บอดจากเน้นบูชาเน้นหรือว่ามันไม่ได้มีความสงบในเรื่องของสถานที่เนาะ โยมก็เลยเลือกที่จะไม่ค่อยเข้านะนอกจากหลายคนที่เข้าไปทําบุญหรือเข้าไปชมนะตามเหตุตามปัจจัยต่างๆนะเราก็โยมเองก็อืมถ้ามีโอกาสก็อย่ า, อ ย, าอย่าทิ้งวัดทิ้งวาในที่ไหนๆก็แล้วแต่นะก็ดูแลวัดวาตามที่เราดูแลได้นะอย่างน้อยให้เป็นศาสนสถานไว้นะ เผื่อมีพระเผื่อมีใครจรมาก็ได้ใช้บ้างหรือว่าเอาไว้เพื่อเขารบบูชานะที่จริงมันก็ยังดีนะแดดะนะแต่ดีในแง่เบื้องต้นนะในแง่ให้เกิดศรัทธาหรือให้เกิดการกราบไหว้ให้มีเครื่องน้อมเหนี่ยวจิตใจบ้างก็ดีนะมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจนะัยเนาะแต่ถ้าเราจะดีขึ้นก็คือนะ เราพยายามศึกษาธรรมะให้อยู่ในตัวของเราให้เยอะที่สุดแล้วก็เราเกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็เอาธรรมะนี่แหละเป็นหลักในการใช้ชีวิตนะเนี่ยบางทีคารวะบางคนสนใจทําบุญหรือบางคนก็สนใจฟังธรรมบางคนก็สนใจปฏิบัติธรรมนะแต่แยกชีวิตภาคภาคภา ค, ภาควัดภาคธรรมะเนี่เป็นส่วนหนึ่ง ตอนมาเข้าศีลตอมาปฏิบัติธรรมก็ทําตัวแบบหนึ่งแต่พอออกไปเป็นคาราวาสก็เต็มที่แบบหนึ่งเต็มที่แบบโลกแบบนี้เนะอืมบางทีความรู้แบบโลกทฤษฎีแบบโลกมันก็มีนะการค้าธุรกิจต่างๆบางทีก็ใช้หลักแบบโลกนะจนลืมทำหรือว่าขอละทำไว้ก่อนนะ ที่จริงก็ไม่ถูกนะนะถ้าเราศึกษายัางในสมัยพุทธกาลนะอุบาสกอุบาสิกาที่แม้ไม่ได้บวชนะแต่ก็เข้าใจธรรมะนะหรือว่าบางคนแม่ไม่ถึงเข้าใจธรรมะเป็นพระอริยะนะแต่ก็มีศรัทธานะต่อพระธรรมวินยัยเนะี่ยวิธีชีวิตที่เขาใช้นะก็เรียกว่า ก็เนื่องได้ทําทั้งนั้นเลยเป็นพ่อค้าอย่างเช่นอนาบินทะเกษต ร, ธธรีอนะไรนั้นก็เป็นพ่อค้าที่ใจบุญนะเป็นพ่อค้าที่ไม่ได้ไม่ได้สูบเลือดสูบเนื้อคนอื่นเนะี่ยเป็นพ่อค้าที่รู้จักทําทานแล้วก็คนขวายเป็นทุระในการดูแลนวะัดวาอารามหรือว่าพระสงฆ์องค์เจ้าต่างๆหรือหลายคนนะ เป็นเกษตรก ร, ะกรนะไม่ได้ร่ำรวยแต่เขาก็ใช้การทำกรเกษตรแบบไม่เบียดเบียนสัตวนะ์แบบเนี้ย ม, มันก็เป็นวิธีที่คนก็เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตนะชีวิตก็มีธรรมะนะชีวิตก็มีธรรมนะนั้นบางทีสิ่งที่บางคนนะหรือว่า คนศึกษาธรรมะแต่ไม่เอาธรรมะไปใช้เนะี่ยมันก็เลยเป็นการขาดกันไปนะขาดตอนชีวิตตอนนี้จะเห็นแก่ตัวชีวิตตอนนี้จะสนุกสนานเพลิดเพินชีวิตตอนนี้จะขอเอากําไรไว้ก่อนนะได้เงินเยอะๆเดี๋ยวค่อยเอามาทำบุญสร้างนั่นนี่นะมันก็เลยศีลธรรมก็เลยเสื่อมไปนะหรือว่าน้ําใจก็ลดน้อยลงไปเนาะ เนี่ยราก็อยากให้เราเริ่มต้นที่ที่ตัวเราเองเนาะถ้าเป็นพระนะถ้าอยู่กันได้เยอะๆนานๆเนี่ยก็ดีนะช่วยกันเผยแพร่ศาสนาหรือว่าช่วยกันดูแล ว, วัดวาอารามเนี่ยก็ก็จะดีมากๆก็มักมีคนถามนะแตนน่แล้วทำไมบวชนะ มานานไม่อยากทําการทํางานหรือนาะงทีก็เราก็ดูวยเราเป็นพระเราก็ทําการทํางานเหมือกันนะแต่เพียงแต่ ว, ว่าไม่ได้เงินเดือนไม่ได้อค่าตอบแทนไม่ได้ตําแหน่งอะไรแต่จริงถ้าจะว่าไปจริงนะออาชีพถ้าถ้าพูดเป็นอาชีพนะแต่ที่จริงพระก็ไม่ใช่อาชีพอนะถ้าเป็นพูดถึงการงานทัางโลกนะเขาก็จบปริญญาตีนะ สอบแข่งขันกันตกงานก็เยอะนะแต่พระนี่รักเต็มที่นะไม่มีจำกัดวัดก็ร้างก็เยอะนะหรือว่าวัดไหนไม่ร้างไปบวชศึกษานะหลายวัดก็ดูแลได้นะดูแลพระได้โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ชายเนะี่ยถ้ามาบวชเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อช่วยพระศาสนาจริงๆเนี่ย ยังมีพื้นที่อีกเยอะเลยนะนะรับสมัครได้ยังไม่จำกัดนะแต่ถ้าบวชแล้วไม่ได้ศึกษา น, นก็ไม่ต้องมาบวชหรอกอนะไรอยู่เป็นคารวะก็ดนะีแต่ก็บางคนอาจจะเริ่มแรกอาจจะไม่ศึกษาแต่พอต่อไปถ้ามีคนให้การศึกษาหรือว่าตั้งใจพัฒนาตัเองก็ก็ดีเหมือนกันก็จนะนะช่วยกันนะช่วยกันคนละไม้คนละมือ คารวาสเองก็ช่วยเนี่ยก็ช่วยกันอย่างที่ทำได้นั่นแหละนะเต่อไปบางทีอาจจะมีบทบาทสำคัญกว่าพระได้ซ้ำนะอืมต่อไปวัดบาอารามอาจจะเป็นเหมือนศาลเจ้าเนี่ยเป็นโหบดวิหารแค่คนมากราบไหว้บูชานะแต่พอคนอยากจะศึกษาธรรมะจริงจริงอาจจะไปหาคารวาเจ้ายโยมที่ที่เข้าใจธรรมะหรือว่า อยู่ใกล้ๆตัวเขามากกว่าที่เขาจะเข้าหาพระก็มีนะนั้นเราเองก็ก็พยายามเริ่มนะเริ่มจับฝึกฝนตัวเราให้ให้มากๆากนะฝึกฝนตัวเราให้มากมากนะเพื่อเราจะได้มีที่พึ่งนะที่แท้จริงในใจของเราเองนะแล้วถ้าเรามีที่พึ่งในใจของเราได้นะนะเราก็ สามารถเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นนะหรือเป็นที่พึ่งให้กับนะสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนั่นแหละนะถ้าเราต้องทำงานกับคนหมู่มากอย่างน้อยนะคนหมู่มากบางคนอาจจะหลงไหลนะไปกับบางอย่างถ้าเราพอจะดึงกันได้เออหลักที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะสิ่งที่ควรทำเป็นแบบนี้ถ้าเราพอดึงได้เราก็จะดึงให้คนหมู่มากที่ เขาอาจจะได้สติได้ปัญญากลับมาหาดักธรรมมากขึ้นน่วันนี้ก็ช่วยๆกันแบบนี้นะนเราได้มาเห็นเราก็ได้รู้รู้แล้วก็จะได้เกิดจิตสำนึกเกิดความเข้าใจนเกิดความตระหนักว่าเราจะมีบทบาทส่วนใดที่พอจะช่วยช่วยจันโลงพระธรรมีในให้มัน ยินยาวต่อไปได้เนาะแต่เราก็เข้าใจด้วว่ามันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนาะ เ, นเหตุปัจจัยทั้งโลกก็มีเยอะมากมายแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้นิ่งดูได้ในทางพุทธศาสนามองเรื่องสิ่งต่างๆเกิดเกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราก็คือหนึ่งในเหตุปัจจัยนะ เราก็อีกหนึ่งในเหตุปัจจัยที่เราจะทําอะไรได้บ้างเราก็ทําแบบนั้นแต่ถ้าเหตุปัจจัยทั้งหมดน่ะมันมีมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันไปเนี่เราห้ามไม่ได้เราก็ต้องวางอุเบกขาเนี่ยวางใจเราทําหน้าที่ของเราให้ดีแต่เราก็วางใจของเราด้วยถ้าเปรียบถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเช่นอย่างพ่อแม่เนาะเวลาเลี้ยงลูก พ่อแม่ก็เป็นหนึ่งเหตุปัจจัยในการเลี้ยงลูกนะแต่ลูกแต่ละคนเนี่ยกว่าเขาจะโตขึ้นมาเนี่ยก็ผ่านครูไม่รู้กี่คนใช่ไหมอืมผ่านโฆษณาผ่านโทรทัศน์ผ่านวิทยุผ่านหนังสือไม่รู้กี่เล่มผ่านรุ่นพี่ผ่านเพื่อนฝูงผ่านรุ่นน้องต่างๆที่เขาก็เป็นเหตุปัจจัยที่เขาได้เจอทั้งนั้นนนั้นพ่อแม่บางทีมีลูกหลายคนใช่ไหมลูกแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทงที่พ่อแม่บางทีก็เลี้ยงลูกคล้ายๆกันนั่นแหละนะแต่ลูกแต่ละคนมีความคิดมีเออเป็นแตกต่างกันเพราะว่าเขามีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่มันแตกต่างกันยีนที่พ่อแม่ให้มาหรือว่าบ้านที่พ่อแม่ให้อยู่นะมันก็เป็นแค่เหตุปัจจัยที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาต่อพับไว้แล้วให้กับลูก แต่ลูกแต่ละคนผ่านการเรียนผ่านการดูผ่านการคิดนะผ่านประสบการณ์แตกต่างกันก็ออกมาเป็นบุคคลที่แตกต่างกันนะแต่จะแตกต่างกันโดยโดยอย่างอื่นก็ก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่างน้อยเราก็พยายามสร้างเหตุปัจจัยให้กับตัวเราหรือกับคนอื่นเนะ่ให้น้อมให้เขาเนะ่ มีธรรมะนะแล้วก็เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตเนะ่ะเนาะเราก็พยายามสร้างเหตุตรงนี้นะแต่ถ้ามันสร้างไม่ได้นะอย่างไรมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องวางใจนะวางใจเห็นบาดล้างก็ไม่ใช่เศร้านะแต่เห็นบาดล้างก็สังเวชนะสังเวชนี่ไม่ใช่เศร้านะสังเวชคื อ, อเหมือนปงเป็น เป็นเรื่องไปตามเหตุตามปัจจัยนะแต่ไม่ใช่ว่าเศร้าศาสนาเราเสื่อมเยอะแล้วนอ้อหรืออะไรต่างๆเอก็ไม่เป็นแบบนั้นแต่มองมองเป็นเรื่องของการสังเวชสลดไปแต่สลดเพื่อเพื่อเตือนตนให้ให้ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานเหมือนพระพุทธเจ้ า, จาท่านบอก ให้คนทั้งหลายไปดูสังเวชนิยมสถานนะก็ดูเพื่อให้เห็นว่าพระพุทธองค์ก็มีการเกิดนะมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเหมือนกันนะนะเป็นสิ่งที่ธรรมดานะแต่สิ่งที่แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายคืออะไรคือการตัดสุหรือคือธรรมะนะ มันก็เป็นส่วนที่ทําให้พ้นได้นะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องเรื่องที่ทุกคนต้องเจอทุกสรรพสัตต้องเจอแต่เราก็สามารถพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยการที่เราเห็นความจริงว่าไม่ใช่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละมันทําให้เราพ้นจากนะจากความทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดได้น ท่านแสดงให้เราเห็นตรงนี้เนาะเราก็น้อมเข้ามาใส่ตนตรงนี้นะไปสังเวยชนิยสถานที่อินเดียหรือไม่เนะี่ยหรือว่าเราก็ดูสภาพสังคมอย่างประเทศไทยเราที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ก็ก็น้อมเข้ามาใส่ตนนะเห็นสิ่ ง, งต่างๆก็น้อมเข้ามาเพื่อเกิดการพัฒนาตนฝึกตนนะเป็นทั้งผลจากการยึดถือความเป็นตัวตนนั่นแหละนะ ก็คือสิ่งที่ที่สำคัญที่สุดเนะเาะ